วันนี้พวกเราทั้งหลายได้มาพร้อมใจกันทำสิ่งที่เป็นมงคลอันได้แก่การมาบาเพลงบุญกะถิ่นเพื่ออุทิศส่วนบุญสนให้กับโยเสถียรจักแก้วอันเป็นที่รักของเราทุกท่านการบาเพลงบุญกระถิ่น ถือว่าเป็นการบนเพ็ญบุญที่มีอนิสงส์มากและทำได้ยากด้วยเหตุผลก็เพราะว่าบุญกระถินนั้นเนี่ยจัดเรียกว่าเป็นการรัฐทานการรัฐทานก็คือว่าการบำเพ็ญทานซึ่งถูกจำกัดด้วยเวลาถึงแม้ว่า กถิ น, นัตทานเนี่ยจะเป็นสังฆท า, านแต่ก็เป็นสังฆท า, านชนิดพิเศษสังฆท า, านทั่วไปก็สามารถจะถวายได้ทุกเวลาไม่เลือกว่าจะเป็นวันใดผู้ง่ายๆคือทำได้ตลอดปีแต่ว่าบุญสถินนั้นเนี่ยจะทำได้ก็เฉพาะในช่วงหนึ่งเดือนหลังจากการออกพรรษาสิ้นสุด ในวันลอยกระทงนอกจากนั้นบุญทถิตเนี่ยก็จะทอดได้เฉพาะวันเดียวหมายความว่าวัดใดวัดหนึ่งเนี่ยจะรับสถิได้เพียงครั้งเดียวในปีหนึ่งปีหนึ่งทุกวันเนี่ยสามารถจะรับสาังฆทานได้กี่สิบกี่ร้อยครั้งก็ได้แต่ว่าจะรับ กระตินนทานได้เพียงครั้งเดือนในหนึ่งปีแล้วก็จำกัดเวลาลวก็คือหนึ่งเดือนหลังจากออกพรรษาอันนี้คือเหตุผลที่ทำให้การทอดกระินเนี่ยเป็นทานที่ทำได้ยากและที่มีอภิส ม, มากก็เพรเหตุว่าเป็นสังฆทานที่มุ่งส่งเสริมเชิดชู ความสามัคคีสังฆทานทั่วไปไม่ได้มีวัตถุประสงค์นี้อยากเฉพาะจอจงส่วนกฐินทานเนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อเห็นดีโดยตรงกล่าวคือการที่วัดใดวัดหนึ่งเนี่ยจะมีกฐินจากญาติโยมได้ก็หมายคาว่าวันนั้นมีพระ ที่มาจำภรษาด้วยกันหลายรูปตั้งแต่ห้ารูปขึ้นไปเป็นต้นการที่พระหลายรูปจะจำภรรษาครบท่วไตรมาสสามเดือนไม่ใช่เรื่องง่ายต้องอาศาัยความเมตตาอาศาัยความอดทนอดกลั้น เพราะว่าบางครั้งก็มีการกระทบกระทังกันบ้างมีความแตกต่างกันด้านที่ใส่ใจคอบ้างจากคนนี้เมื่อสามารถใจจาภาษาได้ครบถ้วนสามเดือนอันนี้ก็ถือว่ามีความสามัคคีนในระดับหนึ่งยิ่งไปกว่า น, นั้นนะเมื่อจะทอดผ้าพระสงฆ์ก็ต้องตัดสินว่าจะมอบผ้ากรถินั้นให้กับพิกษุรูปใด การตัดสินนั้นนะจะต้องเป็นไปอย่างเอกฉันนะไม่ใช่อาศัยเสียงข้างมากหมายความว่าแม้ภาพรูปใดร่ปหนึ่งคัดค้ า, านะก็ไม่สามารถที่จะมอบกถิ่นมอบภากะถินะถ่นให้กับพระรูปใดร่ปหนึ่งได้เลยนะความเห็นต้องเป็นเอกฉันและการที่ความเห็นจะเป็นเอกฉันไดน้ก็หมายความว่าพระท่านมีความสมัครคีกัน ไม่เพียงแต่เท่านั้นนะกระถินญาทานเนี่ยยังส่งเสริมสามัคคีธรรมในหมู่ญาติโยมด้วยนะเพราะเห็นว่าการที่จะทอดกระถินให้สำเร็จนะต้องมีการเกือมการและการเกื้อกานเนี่ยก็ต้องอาศัยผู้คนจำนวนมากมายมาร่วมแรงร่วมใจกัน สมัยก่อนเนี่ยร่วมใจกันตั้งแต่การไปเก็บฝ้ายมาทอเป็นได้นะมาปั่นเป็นได้แล้วก็มาทอเป็นผ้าเลยทีเดียวไม่ใช่ว่าไปซื้อผ้ามาจากร้านสังกฐานนะแต่จะต้องเริ่มต้นตั้งแต่การทอผ้าเลยทีเดียวนะและยิ่งสามารถจะร่วมแรงร่วมใจกันทอผ้าให้เสร็จนะโดยมีการตัดการใช้การยอ้อมได้ภายในเวลาหนึ่งวัน กนะ็ยิ่งนมมนเนิสสงมากทากรถิ่นนี่เราเรียกวัตุลกรถิน่นที่เรียกว่าตุลกรถินเพราะว่าเป็นกรถินที่มีแต่ผ้าเป็นหลักหรือมีผ้าผืนเดียวนะมหากรินเนี่ยก็คือว่าเ ป, เป็นกระถินที่มีบริวารมากนะจะเป็นวตุลกระินหรือมหากรถินเนี่ยก็ต้องอาศัยความสามัคคีเพื่อทําให้สําเร็จร่วมไปให้วดีถึงแม้สมัยนี้ ผ้ากรถินจะหาได้ง่ายแต่ว่าการที่จะจัดเตรียมงานการต่างๆนะก็ต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจยิ่งบางครั้งเนี่ยคณะกระถินก็มาจากต่างจังหวัดนะนะก็ต้องมีการเตรียมการกับพอสมควนเมื่อมาทอดผ้าถวายกับคณะสงฆ์แล้วนะพระสงฆ์รับไปเนี่ยก็ยังไม่ใช่ว่าจะสิ้นสุดนะสมัยก่อนเนี่ย ผ้าที่ถวายก็เป็นผ้าผืนเดียวไม่ใช่เป็นไตรจีวรสำเร็จรูปทางคณะสงฆ์ทั้งวันเนี่ยก็ต้องนำผ้าแล้วเนี่ยไปตัดนะไปเย็บและไปย้อมเพื่อให้เป็นผ้าสบงบ้างจีวรบ้างสังขันติ บ, บ้างให้เสร็จภายในวันเดียวกันก็ต้องร่วมแรงร่วมใจกันสมัยพุทธการพระเกิดเจ้าเองเนี่ยก็เสด็จมามาร่วมในการ ทำภาพให้สำเร็จเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาด้วยนะไม่มีการเลือกว่าจเจ้าอาวาสจะอยู่นิ่งเฉยหรือผู้ที่มีภาสา ม, มากจะไม่มีส่วนร่วมจัดว่าเป็นการส่งเสริมสามัคคีธรรมทั้งในในฝ่ายพระพิสุสงและฝ่ายคารวะในทางวัตถุศาสนานี่สามัคคีธรรมเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าจะช่วยส่งเสริมให้ความสาเร็จ อันดีงามเนี่ยเกิดขึ้นได้คนเราแม้จะมีความตั้งใจดีเทม ใ, ใดแต่ถ้าทำคนเดียวกิจการนั้นก็อาจจะไม่สำเร็จงานใหญ่งานที่เป็นบุญกุศลเนี่ยต้องอาศัยการร่วมแรงร่วมใจและความร่วมแรงร่วมใจนั้นจะเกิดขึ้นได้ต้องมีสามขทดธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยการทอดกฐินเนี่ยจึงเป็นการบาเพ็ญบุญที่มีอนิสงส์มากเพราะว่า เป็นการเสริมสร้างพลังแห่งความสมัครใเพื่อร่วมกันทาความดีงามให้เกิดขึ้นและความดีงามนี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงการมีผ้ากรถิ่นนะถวายกระสงท่านนั้นแต่จะรวมถึงความพร้อมเพียงในการที่จะทําความดีงามอย่างอื่นด้วยในเวลาต่อมาเพราะฉะนั้นเนี่ยญาติโยมเมื่อได้มาร่วมงานบำเพ็ญบุญที่เรียกว่าบุญกถิ่เนี่ยนันก็ควรจะ มีความปราบพื้ น, นดีแล้วก็ควรจะเข้าใจเข้าถึงสาระแห่งการบำเพ็ญบุญที่เชืวว่อบุญกระถิ่นอย่างแล้วก็ตามเนี่ยในทางวุทธศาสนาบุญก็มีหลายชนิดถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่มีโอกาสได้ทำบุญกะถิ่นในธนะเจ้าภาพหรือว่าในฐานะของทายุคทยิกาแต่เราก็ยังสามารถจะทำบุญชนิดอื่นได้ ซึงเรียกง่ายๆก็คืว่ามีโอกาสที่จะทําความดีได้ตลอดเวลาการทําความดีนั่นแหละจะเรียกว่าบุญก็ได้จะเรียกว่าเป็นธรรมะก็ได้ไม่ว่าเราจะทําในเวลาใดโอกาสใดก็ถือว่ามีอา น, นิสงส์อา น, นิสงส์นั้นประการ น, นั่นคือเป็นการรักษาจิตรักษาใจและการช่วยส่งเสริมชีวิตของผู้ประพฤติธรรมนั้นนะให้ปลอดภัยให้มีความสุขความเจริญสมกับพุทธภาษิตว่า ทำย่อมรักษาผู้ประพฤติ ธ, ธรรมครานี้ควาว่าธรรมะเนี่ยนะก็ควรจะเข้าใจนะให้ชัดเจนสักหน่อยเวลาพูดถึงว่าธรรมะหรือการปฏิบัติธรรมเนี่ยให้เข้าใจว่าธรรมะเนี่ยมันมีความหมายเนี่ยใหญ่ๆสองอย่างนะอย่างแรกคือความดีนะเช่นควาว่าจริยธรรม จริยธรรมเนี่ยก็หมายถึงธรรมะที่ว่าด้วยความดีแต่ว่าธรรมะประการที่สองก็สำคัญไม่น้อยเรียกสั้นๆว่าความจิตได้แก่สัจธรรมธรรมะในพุทธศาสนานเนี่ยซึ่งบางท่านก็บอกว่ามีถึงแปดหมือสพพระธรรมคันแต่ถ้าจะสรุปย่อๆแล้วก็เหลือแค่สองนะก็คือสัจธรรมและจริยธรรม เป็นคำสอนว่าด้วยความจริงและคำสอนว่าด้วยความดีความดีได้คือสิ่งที่ต้องทำถ้าปรารถนาชีวิตที่ผาสุขเจริญนอกน้ำแต่คนเราเนี่ยจะทำความดีอย่างเดียวไม่พอเราต้องฝึกใจให้เห็นความจริงด้วยอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้สอนให้ทำแต่ความดีเท่านั้น หรือไม่ได้สอนให้รับเว้นความชั่วทนนั้นแต่ยังสอนให้ฝึกจิตเห็นให้เห็นความจริงด้วยในโอวาทปฏิโมกเนี่ยพระองค์ก็ตัดว่าเนี่ยให้ทําความดีใ ห, ให้เราเว้นความชั่วนะแล้วให้ฝึกจิตให้ข่าวรอบหรือทําจิตให้ขาวรอบขาวรอบในที่นี้เนี่ยก็เพราะว่าเห็นสัจธรรมจนเกิดความสว่าง และความสว่างนั่นแหละ่อทำให้จิตเนี่ยขาวรอบนะไม่มีมลทินไม่มีกิเลส ท, ที่จะมาทำให้แปกเพื่อนโมหมองได้ลําพังเนี่ยการทำความดีมีอนิสง์มากแต่ว่าเราก็อย่าติดแต่เพียแค่การทำความดีเท่านั้นแต่ว่าพยายามเปิดใจให้เห็นความจริงด้วยและการทำความดีเนี่ย ถ้าจะพูดให้เป็นรูปธรรมก็คือ1การให้ทานสองการรักษาศีลนะการให้ทานก็เป็นความดีที่น่ายกย่องมากไม่ว่าจะให้ทานถวายกับพระหรือว่าให้กับคนยากคนจนหรือให้กับเพื่อนบ้านการรักษาศีลก็เป็นการทําความดีเพราะว่าไม่ไปเบียเดเบียนใครเป็นการควบคุมกายวาจาไม่ให้ไปทําร้ายใครและขณะเดียกันถ้าควบคุมกายวาจาดีเป็นปกติ ก็จะนำไปสู่ความช่วยเหลือเกือ้อกูลนะเช่นการพูดด้วยคำวาจาที่ไพเราะเรียกว่าปิยวาจารหรือการไปช่วยเหลือเกือ้อกูลเรียกว่าอัจริยาเมื่อเราทำความดีด้วยการให้ทานด้วยการรักษาศีลนะมันจะช่วยปกป้องให้ชีวิตของเราเนี่ยปลอดภัยจากอันตรายได้มากมายทีเดียว ธรรมดาเนี่ยมันก็มีความทุกข์ที่พร้อมจะเข้ามากระทบกับชีวิตของเราไม่ว่าจะมาในรูปใดก็ตามถามว่าเราไม่ต้องการให้ความทุกข์มาเกิดขึ้นกับชีวิตของเราอย่างแรกที่ต้องทำก็คือทำความดีนั่นคือการให้ทานการรักษาศีลเป็นต้นเมื่อเราให้ทานรักษาศีลเนี่ยก็จะมีหลักประกันว่า ชีวิตเราเนี่ยจะมีความสุขความเจริญความเดือดเนื้อร้อนใจก็จะลดน้อยถอยลงเอาเพียงแค่การรักษาสี่ข้อที่หถ้าเรารักษาสี่ข้อที่หได้คือไม่กินเหล้าไม่เสพยาเนี่ยโอกาสที่จะเกิดโรคต่างๆที่ร้ายแรงเช่นโรคตับแข็งโรคมะเร็งในตับหรือว่าโรคหัวใจก็จะน้อยลง โอกาสที่จะเกิดการพลิกกลิ้การเพราะอุบัติเหตุเนื่องจากขับรถเมาก็น้อยลงหรือถ้าไม่เกิดขึ้นเลยการที่จะทะเลาะ บ, บอกแย่งกันในหมู่ในครอบครัวในในระหว่างคนรักก็น้อยลงเพราะว่าถ้าไม่กินเหล้าเนี่ยการที่จะทะเลาะวิวาทกันตบตีกันก็แทบไม่เกิดขึ้นหรือว่าถ้าหากว่าเราไม่กินเหล้าเนี่ยนะเราก็จะ มีเรื่องมีแรงไปทำงานความยากจนหรือว่าการมีหนี้สินครอบคูณเพราะติดเล่าเนี่ยก็ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นจะเห็นได้ว่าเพียงแค่รักษาสีข้อ5ข้อเดียวเนี่ยทุกภัยต่างๆมากมายเนี่ยก็จะไม่มีโอกาสเกิดขึ้นได้กับชีวิตของเราไม่ต้องพูดถึงสีข้อที่ 1, ข้อที่2ข้อที่3าข้อที่4ซึ่งจะช่วยปกป้องอันตรายไม่ให้เกิดกับเรา อย่างไรก็ตามเนี่ยแม้เราจะทำความดีมากมายเกียงใดกำแพงแห่งความดีนั้นเนี่ยก็ไม่สามารถจะปกป้องอันตรายได้ครบถ้วนร้อยเปอซอาจจะปกป้องไม่ให้เกิดอันตรายหรือทุกข์ภัยกับเราเนี่ยได้ประมาณ7 0็0ซ แต่ยังมีทุกยังมีภัยอีก 20% เซนที่สามารถจะข้ามกำแพงแห่งความดีกำแพงแห่งบุญกุศลเนี่ยมาสู่ชีวิตจิตใจของเราได้คนทําความดีหลายคนนะมักจะมีความทุกข์ใจทุกข์ใจเพราะว่าทําดีแล้วไม่มีคนเห็นทําดีแล้วก็ยังมีคนต่อว่าด่าทอ ซื่สัตย์สุจริตแล้วเนี่ยแต่ว่าเงินเดือนก็ไม่ขึ้นการงานก็ไม่ได้เลื่อนตำแหน่งบางทีช่วยเหลือเกื้อกูลใครก็ยังทุกข์ใจว่าคนที่เราช่วยนั้นเนี่ยเขาไม่สำนึกในบุญกินของเราบางคนมักจะหลายคนบ่นว่าเนี่ยฉันเนี่ยทำบุญกับคนไม่ขึ้นคนที่พูดชนนี้ก็เพราะว่ า, ารู้สึก น้อยเงินต่ำใจหรือทิศวังที่ช่วยใครไปเนี่ยเขาไม่สํานึกในบุญคุณของตนนะมองข้ามหัวไปด้วยซ้ําหรือบางทีก็ในรคุณด้วยนี่คือความทุกข์ของคนดีนะไม่ใช่แปลว่าทําดีแล้วจะไม่มีความทุกข์ความทุกข์แม้จะลดลงเพราะการทําความดีแต่ยังมีความทุกข์อยู่นะซึ่งอันนี้ถ้าจะอธิบายก็เพราะว่ายังไม่เห็นความจริงของชีวิตไม่เห็นความจริงของโลก ด้วยเห็นเนี้ยจึงมีความจําเป็นที่คนเราเนี่ยนอกจากจะหมั่นทําความดีแล้วก็อย่ามองข้ามการฝึกจิตให้เห็นความจริงถ้าเราเห็นความจริงของโลกของของชีวิตเนี่ยเราก็จะเข้าใจว่าทําไมทําดีแล้วเนี่ยไม่มีคนเห็นทําดีแล้วไม่ได้มีคนต่อว่าด่าทอเยาว่าแต่อะไรเลยนะแม้แต่ทุกข์เจ้าเนี่ยพระองค์ก็ ทำความดีมามากมายไม่เคยมีจิตคิดร้ายต่อใครไม่เคยแม้แต่จะว่ากล่าวหรือว่าทำร้ายใครด้วยคำพูดแต่พระองค์เนี่ยก็ยังมีคนปองร้ายมีคนใส่ร้ายนะใส่ร้ายล้วพระองค์เนี่ยนะไปทำผู้หญิงท้องบ้างพูดแบบภาษาชาวบ้านนะหรือว่าไปฆ่าผู้หญิงตายบ้างนะใส่ร้ายไม่พอบุ่งร้ายแม่เอาชีวิตของพระองค์ นะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เราควรจะเอามาสำเนกว่าคนที่ทำความดีเนี่ยไม่ว่าจะทำดีแค่ไหนเนี่ยก็อย่าคิดว่าจะไม่มีคนว่าร้ายใส่ร้ายหรือมุ่งร้ายต่อชีวิตเพราะอะไรเพราะมันเป็นธรรมดาโลกธรรมดาโลกนี้ทางพุทธศาสน า, าเรียกว่าโลกกรรมโลกกรรมเนี่ยก็มีทั้งสองอย่างก็คือโล ก, กระทำใฝ่บวกและโล ก, กธระฝลบ ฝ่ายหัวก็ได้แก่ได้ลาาได้ยศสรรเสิริญและได้สุขฝ่ายลกก็คือเ ส, เสื่อมลากเสื่มยศนินทาแล้วก็ทุกไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามทำดีแค่ไหนก็ยังมีคนนิ่งทาก็ยังมีคนว่าร้ายก็ยังมีคนเข้าใจผิดก็ยังมีคนไม่เห็นความดีของเราเมื่อเราทำความดีแล้วเราเห็นว่าแล้วเราตระหนักว่า อ, อนี่เป็นธรรมดาโลก เราก็จะไม่ทุกข์เลยนะว่าทำไมฉันทำความดีแล้วไม่มีคนเห็นทำไมฉันทำความดีแล้วก็ยังมีคนว่าร้ายนินทาทำไมทำความดีแล้วก็ยังมีคนนะที่ยังนเนรคุณกับเราเพราะมันเป็นธรรมดาธรรมดานี่แหละคือความจริงที่เราต้องเห็นที่จริงแล้วเนี่ยแม่จะไม่พูดถึงว่าทำดีแต่ไม่มีคนเห็นทาดีแล้วยังมีคนตอว่าดาทอ สมมุติว่าทำดีเนี่ยมีคนเห็นชื่นชมสรรเสริญเราไม่มีใครมุ่งร้ายว่าร้ายใส่ร้ายเราเลยแต่อย่างหนึ่งที่เราหนีไม่พน้นที่จริงสองอย่างหรือสาอย่างที่ทำดีแค่ไหนก็หนีไม่พน้นก็คือหนึ่งความแจกแสองความเจ็บป่วยสามความพัดพลาดสูญเสีย หรือจะลงขทษที่สิโดียวก็ได้ถึงความตายทำดีแค่ไหนก็ต้องแก่ทำดีแค่ไหนก็ยังต้องเจ็บต้องป่วยทำดีเพียงใดก็ยังต้องพัดพลาดสูญเสียทำดีเพียงใดก็ยังต้องตายนะพวกเราเคยเห็นใครั้ยที่ไม่เคยแก่ไม่เคยเจ็บป่วยนะไม่เคยพัดพาดสูญเสียและไม่เคยตายแม้แต่พระอริยะเจ้านะที่เราเชื่อเปนพระรหรันต แช่ก็หนีความจริงสี่ข้อนี้ให้คนแต่คนที่ทำความดีหลายคนเนี่ยพอเจ็บพอป่วยเข้าหลายคนทำใจไม่ได้ทำไมต้องเป็นฉันนะมีหลายคนหมดเนี่ยชันุตสาร์ทำความดีมายุงก็ไม่เคยตบนะมดก็ไม่เคยบี้นะทอก็ะถินทอด ป, ป้าป่าเป็นประจำใส่บาต ท, ทุกวันแต่ทำไมฉันเป็นมะเร็ง บางคนพานไปบอกว่าทําไมทําดีไม่ได้ดีนะราบอกว่าโรคภัยไข้เจ็บหรือความเจ็บป่วยเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเฉพาะกับคนชั่วนะแม้แต่ข้ารหัการแม้แต่พืชเจ้าเนี่ยก็ยังต้องเจ็บต้องป่วยแล้วเราเป็นใครนะเป็นแค่ผู้ดชนแค่ถือสีผ้าทาไมจึงคิดว่าเราไม่มีสิทธิ์ป่วยไม่มีสิทธิ์เจ็บนะถ้าเราเห็นความจริงตรงนี้แนละ้วว่าความเจ็บความป่วยคือเรื่องธรรมดานะ ถึงเวลาที่เจ็บป่วยขึ้นมาจะเป็นเพราะโรคมะเร็งโรคหัวใจโรคไตาวายโรคเบาหวานก็ตามจะไม่มีเสียงบน่นะขึ้นมาในใจแทนที่จะบ่นว่าทําไมถึงต้องเป็นชั้นก็อาจจะถามใหม่ว่าทําไมจะเป็นชั้นไม่ได้เพราะว่าใครๆเขาก็เป็นกันทั้งนั้นพื่เราในที่นี้เนี่ยก็ย่อมรู้จักคนที่เคยตายด้วยโรคมะเร็งหรืออาจจะรู้จักคนที่กำลังป่วยด้วยโรคมะเร็ เพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อคนรอบข้างรอบตัวเราเป็นมะเร็ทรงทําไมถึงคิดว่าเราจะมีสิทธิ์เป็นมะเร็กไม่ได้แต่นี่คือความจริงที่เราต้องตระหนักเมื่อเราเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยถึงเมื่อเรามันเกิดขึ้นกับเราเราก็จะไม่ปวดไม่ทุรลทุ ร, รายไม่ตีโพยตีพาเพราะเราเห็นความจริงความพลาดพลาดสูญเสียก็เหมือนกันความพลาดเสียเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกคน ไม่มีใครที่จะไม่เคยประสบความพัาดพลาอย่งไม่คิดว่าความพัาดพลาดเกิดขึ้นเฉพาะคนทำชั่วคนไม่มีสิ่คนทำดีก็ต้องประสบสิ่งเหล่านี้เช่นเดียวกันนะเพราะอะไรเพราะมันเป็นธรรมดาโลกทุกอย่างที่อยู่กับเราทุกอย่างที่เรามีทุกอย่างที่เราเป็นไม่ว่าจะเป็นเงินทองทรัพย์สมบัติชื่อเสียงเกียรติยศคนรักพวกเหล่านี้นล้วนแั้นแต่ตกอยู่ภายใต้ความไม่เที่ยงความไม่จรัง ไม่ว่ า, าถึงแม้ถึงแม้เราจะทำความดีเกณฑ์ใดมันก็ไม่ทำให้สิ่งที่เรามีสิ่งที่เราเป็นเนี่ยมันเป็นนิดมันเป็นนิด น, ด น, ดนดิรันด์หรือมันเป็นนิจจำได้มันก็ยังเป็นอนิจจำนั่นเองเพราะมันเป็นความจริงหลายคนไม่เข้าใจทำความดีแต่ไม่เข้าใจนะพอเกิดความพลดพลางสูญเสียขึ้นมาก็จะผิดหวังโกรธเครือง บางทีถึงกับบอกว่าฉันอุตสาห์ทำความดีนะแต่ทำไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ต่อไปฉันไม่ทำบุญไม่ทำกุศลละเพราะว่าบุญไม่รักษาธรรมะไม่คุ้มครองเมื่อประมาณสักสี่สิปีที่แล้วเนี่ยเกิดไฟไหม้ใหญ่ที่จังหวัดสุรินทร์กลางเมืองเลยมีผู้คนสิ้นเนื้อประดาตัวเนี่ยนับพันนะ ก็มีหลายคนเนี่ยพูดเข้าหูหลวงปู่ดูนอตุโลซึ่งเป็นจเจ้าวาดพระบุรพารามกลางมุองสุรินแล้วก็เป็นลูกศิษย์ของปู่มั่นดูลนแรงเขาบอกว่าปู่ญาติย า, ายานเขาก็ทำบุญมาเยอะพ่อแม่ก็ทำบุญตัวเขาเองเนี่ยไม่ว่างานกระถินงานภาพป่าก็ไม่เคยขาดใส่บาตรพระเป็นประจำแต่ทำไม นะจึงเกิดเหตุการณ์นี้ไฟไหม้จนกระทั่งไม่เหลืออะไรเลยทำไมบุญไม่รักษาทำไมาไม่คุ้มครองต่อไปนี้ฉันไม่เข้าวัดและฉันไม่ทำบุญลนะอันนี้มีคนพูดนะมาเข้าหูหลวงปู่ดูหลวงปู่ดูก็เลยตอบว่าความวิบัติความอันตรายความพัดพลาดความสูญเสียมันเป็นธรรมะประจำโลก หม่ยความว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นเป็นธรรมดาไม่มีใครหนีคนตอนนี้หน้าที่ของผู้ที่เป็นธรรมะผู้ที่รู้ธรรมะผู้ฝ่ายธรรมะก็คือว่าเมื่อมันเกิดเหตุการณ์เหล่านี้แล้วเนี่ยทำอย่างไรใจจ ะ, จ ะ, จะไม่ทุกข์อันนี้ตังหะคือหน้าที่ของธรรมะธรรมะไม่ได้ช่วยทำให้มไม่หิวธรรมะไม่ช่วยทำให้มไม่แก่นะ ได้ช่วยป้องกันน้ําท่วมไฟไหม้หรือช่วยป้องกันแม่ให้ตายคนที่เศร้าโศกเสียใจตีโพยตีภายเมื่อพัดพร่าสูญเสียทรัพย์สมบัติถูกทําลายหรือเงินถูกโกงเนี่ยอันนี้เพราะเขายังไม่เห็นความจริงเขายังไม่เข้าใจความจริงของชีวิตว่าความสูญเสียพัดพร่ามันเป็นธรรมดา ถาหาว่ามันไม่ไม่จากเป็นก็จากตายหมายความว่าทำไมไม่จากเราตอนที่เรา ย, ยังเป็นเป็นอยู่ถึงเวลาตายทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงที่เรามีก็ต้องพัดพลาดสูญเสียไปจากเราถ้าว่าเข้าใจความจริงเช่นนี้อย่างที่หลวงปู่ดูลบอกว่าเนี่ยความพัดพลาดความความวิบัติความมัมนตรานทานความพัดพลาดความสูญเสียมันเป็นธรรมะประจำโลกเมื่อเข้าใจเช่นนี้เนี่ยถึงเวลาที่พัดพลาดสูญเสีย ใจก็ไม่ทุกขนะ์สูญเสียไปเท่าไร่ก็เสียแต่ของแต่ใจไม่เสียเพราะอะไรเพราะใจมีธรรมมาก่อนที่ช่วยรักษาเอาไว้นั่นคือปัญญาปัญญาคือการเข้าใจความจริงเมื่อเข้าใจความจริงนะก็สามารถวางใจให้เป็นปกติตดได้เมื่อความไม่เที่ยงเมื่อความพัดพลาดได้กำเกิดขึ้น มีบทพิจารณาบทหนึ่งที่เราควรพิจารณาเป็นประจำที่วาอัตมาก็มีการสวดบทนี้อยู่เนืนองๆชื่อว่าพินธัพปัจเจวเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วมพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วมพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วมพ้นความตายไปไม่ได้ เราจะน่องพัดพลาดจากของรักของชอบใจทั้งหลายถ้าว่าเราเห็นความจริงตรงนี้เนี่ยและให้ความจริงนั้นเนี่ยมันมันมั่นคงในจิตใจของเราถึงเวลาเจ็บเวลาป่วยก็ไม่ทุกข์ถึงเวลาพัดพลาดสูญเสียก็ไม่ทุกข์และสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นความจริงที่เราทุกคนเนี่ยสามารถจะเข้าใจได้ ไม่ต้องเป็นพระอริยเจ้าไม่ต้องเป็นพระระหันนะก็สามารถจะเห็นความจริงและความจริงนี่เลยนะหรือสัวชาตรธรรมเนี่ยถ้าเราเข้าใจมันก็จะช่วยรักษาใจของเราไม่ให้ทุกข์ได้มีผู้ชายคนหนึ่งเป็นช่างไ ฟ, ฟฟ้าวันหนึ่งปรากฏว่าเกิดชบร้าย ไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยมันชอบที่ขาต้องตัดขาทั้งสองข้างพิการตลอดชีวิตไม่นานต่อมาภรรยาก็ทิ้งเขาไปเราลองนึกนะคนที่อุตสาห์ทงความดีมาเสร็จแล้ววันหนึ่งก็เสียขาแล้วภรรยาก็ทิ้งเนี่ยก็จะรู้สึกอย่างไร ก็มีเพื่อ น, นมาถามผู้ชายคนนี้ว่าคุณรู้สึกอย่างไรที่ภรรยาทิ้งคุณไปแคตอบว่าผมไม่รู้สึกอะไรเลยคุณคิดดูสิแม้กระทั่งขาทั้งสองข้างเนี่ยมันยังไม่อยู่กับผมเลยและจะให้ภรรยาอยู่กับผมได้อย่างไงเขาไม่เสียใจเลยนะที่ภรรยาทิ้งเพราะเขาได้เห็นความจริงว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นของเราอยู่แท้จริง ก็าอาจจะไม่ปรารถนาจะให้ขาถูกตัดแต่เมื่อจะต้องตัดขาเขาเนี่ย mm. เขาก็เห็นความจริงขึ้นมาได้ว่า mm. โห้ขานี้มันมันไม่ใช่ของเราเลยมันอยู่กับเรามาตั้งแต่เกิดจริงแต่วันดีคืนดีมันก็จากเราไปคนที่วางใจไม่ถูกเนี่ยก็อาจจะน้อยเลือดตัดใจว่าทําไมฉันทําความดีถึงถูกตัดขาแต่คนที่มีปัญญาเนี่ยนะ เขาจะไม่โวยวายไม่ตีโพ ธ, ธิพายเขาก็เห็นสัจธรรมจากเหตุการณ์นี้แทนที่จะมองว่าเป็นเพราะเขากลับมองว่าเออมันให้มันสอนธรรมะกับเขาว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยแม้กระทั่งขาสองข้างคนเราเนี่ยจะเจอทุกเพียงใดแต่ถ้ามีปัญญาหรือมีความการเข้าใจความจริง ปัญญาที่เข้าใจความจริงเนี่ยจะเป็นเหมือนเสมือนกำแพงอีกชั้นหนึ่งที่ปกป้องไม่ให้ความทุกข์เนี่ยเข้ามาถึงใจเราได้การทำความดีอัตมาได้บอกไปแล้วว่าเป็นเสมือนกำแพงที่ปกป้องความทุกข์ได้แต่ว่ามันไม่สามารถจะป้องกันความทุกข์ได้ร้อความทุกข์แปถูกกันออกไปแต่อีกยี่สิยังยางสามารถเข้ามาได้ทำความดีแล้วอาจจะต้องถูกตัดฐานะเพราะกิดอุบัติเหตุ แต่แมนจะเสียขาไปแต่ความทุกข์ก็ไม่สามารถจะเข้ามาถึงใจได้เสียแต่ขาแต่ใจไม่เสียเพราะอะไรเพราะมีปัญญาเห็นความจริงอันนี้เราเป็นกําแพงที่ป้องกันความทุกข์ชั้นที่สองที่สามารถจัดการทุกข์ได้ร้อเปซเมื่อปี54มีน้ําท่วมใหญ่นะทางภาคเหนือภาคกลาง พวกเราคงจําได้เหตุการณ์เท่านั้นเนี่ยทำให้มีผู้คนสูญเสียสิ้นเนื้อประดาตัวไปไม่ใช่น้อยสูญเสียทรัพย์สินกันเป็นแสนอาจจะเป็นล้านล้านคนทั่วประเทศบางคนไม่เพียงแต่เสียทรัพย์แต่ว่ายัางเสียใจบางทีเสียจริตคือเป็นบ้าและบางคนเลือกฆ่าตัวตายแต่ ก, ก็มีบางคนที่ใจเป็นปกติมีผูออ้หญงคนหนึ่ง ได้บอกว่าน้ําท่วมนี่มันก็ทำให้เขาเห็นนะว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยสิ่งที่เรามีเนี่ยมันอยู่กับเราแค่ชั่วคราวเธอเสียทรัพย์แต่ว่าใจไม่เสียเพราะเธอเห็นความจริงว่าของทั้งหลายทั้งปวงที่เรามีนั้นเนี่ยมันเป็นแค่ของชั่วคราวไม่จีรามยัง่งยืนถ้าไม่ถูกไฟไหม้ถูกน้ําเผาถูกน้ําท่วม ก็อจะมีคนขโมยไปมีคนรักออกไปในที่สุดเป็นไปได้ที่คนเราเนี่ยแม้เสียทรัพย์นะแม้ทิ่การแต่ว่าใจไม่ทุกข์ความทุกข์ไม่สามารถจะเข้ามาถึงใจได้มันมาถึงแค่ตัวมันมาถึงแค่ทรัพย์มันมาถึงแค่กายแต่มันเข้าไม่ถึงใจเพราะอะไรนะเพราะมีปัญญาเห็นความจริง้าใจศัธรรมความจริงของชีวิต ้เพราะฉะนั้นเนี่ยการสึกใจเห็นความจริงเนี่ยสำคัญมากมันจะเป็นเป็นเป็นหลักประกันนะว่าไม่มีความทุกข์อะไรจะเกิดขึ้นกับเรานะไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับทรัพย์เกิดขึ้นกับร่างกายเกิด ข, ขึ้นกับคนรักแต่ว่าใจก็ยังเป็นปกติได้แต่ถ้าว่าเราไม่รักษาใจอย่างนี้เนี่ยนะก็เท่ากับว่ามีโอกาสที่ ความทุกข์ก็จะเข้ามาในจิตใจของเราได้ตลอดเวลาแต่ว่าแต่การสูญเสียทรัพย์การสูญเสียคนรักเลยนะแม้กระทั่งเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆนะก็อาจทำให้เราโกรธโกรธเครืองได้เช่นถูกต่อว่าด่าทอก้องหุกหนะิโกรธแค้นนะจกนกระทั่งกินไม่ได้นอนไม่หลับหลายคนเนี่ยเวลามีความทุกข์ใจเนี่ยก็มักจะโทษคนอื่น โทยคนนั้นคนนี้ว่าเป็นตัวการทำให้ทุกข์และบางทีก็ไปโทษว่าทำไมทำดีแล้วยิงต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้แต่ที่จริงเนี่ยขอเราพิจารณาดูนะว่าเมื่อ ท, ทุกครั้งที่เรามีความทุกข์ใจเนี่ยมาไม่ได้เกิดจากอะไรเลยมันเกิดจากใจของเราใจที่ไม่มีเครื่องรักษาไม่ว่าจะเป็นปัญญาหรือว่าสติก็ตามพื่อคือใจที่ไม่มีธรรมะคุ้มครอง แม้แต่เสียงดังก็ทําให้เราทุกข์ได้แต่ที่จริงแล้วเนี่ยทุกครั้งที่เราทุกข์เพราะเสียงดังเนี่ยมันเป็นเพราะใจของเรามีเรื่องเล่าว่าสมัยที่หลวงปู่บุตรดาถาวว่าเรายังมีชีวิตท่านมราณะภาพไปยีิสามปีแล้วนะตอนที่มราณะภาพท่านก็อายุร้อยปีอีกครั้ทงท่านรับนิมนต์ให้ไปฉันในกรุงเทพท่านฉันเสร็จโยมก็ท่านจะกลับวัดละอยู่สิงห์บุรี แต่โยมก็เห็นว่าท่านแก่แล้วแล้วก็ทางไปสืบบุีสมัยนั้นมันก็ลาบากมันไม่ดีทํานบอไม่ดีมันสมัยนี้ก็ขอให้ท่านพักอยู่ในห้องที่ทางเจ้าพาศักดไว้ให้ในห้องนั้นเนี่ยก็มีลูกศิษย์สองสี่ห้าคนเนี่ยไปนั่งเป็นเพื่อนเวลาจะคุยกันก็กระชึกกระซาบกันแต่เมื่อห้องที่ติดกันกันกบที่ขอวงปูจําวัดอยู่เนี่ยมันเป็นห้องแถวเป็นร้าน เป็นร้านชาร้านโชว์หวยเจ้าของเป็นคนจีนคนจีนสมัยก่อนเนี่ยสวมเกียนะห้าิปีที่แล้วเนสวมเกีย้ยไม้อาม่าเนี่ยอาซินเนี่ยเวลาเดินเนี่ยเสียงก็ดังยิ่งเวลาเดินขึ้นบันไดเสียงก็ดังครับเสียงดังเข้ามาถึงในห้องของหลวงปู่ห้องที่หลวงปู่กําลังเอนหลังอยู่ลูกศิษย์ลูกหาดีก็ไม่่อใจพูดขึ้นว่าเดินเสียงดังจังไม่เกรงใจกันเลย หลวงปู่ท่านเนี่ยหลับตาแตท่านไม่ได้จำวัดเพอาะที่ฉันนั้นก็เลยเปิดขึ้นมาว่าเขาเดินเขาเดินของเข า, เข อ, ขาอยู่ดีๆเราหูไปลองเกียร์เขาเองใชเสียงเกียร์ไม่ใช่ปัญหาปัญหาก็คือหูเนี่ยไปลองเกียร์แล้วทำไมหูไปลองเกียร์เพราะใจไม่มีสตินะถ้าใจมีสติแล้วเนี่ยเสียงดังก็ดังไปนะหูไม่ไปหาเรื่องนะถ้าหูไม่ไปหาเรื่อง ความทุกข์ใจก็ไม่เกิดขึ้นะมันเปินที่ใจของเราต่งางหากใจที่ไม่มีสติหัวก็เลยไปหาเรื่องมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องความหงุดหงิดนะความขุ่นเคืองเวลาเสียงดังนะแต่รวมทุกเรื่องอื่นด้วยนะตัวอย่างที่อรมา ย, ยุตยยกขึ้นมาเนี่ยก็ชี้เห็นว่าจริงๆแล้วแม้จะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นกับเรา แต่ถ้าเราวางใจเป็นหรือว่าถ้าเรามีปัญญาเห็นความจริงเนี่ยความทุกข์ก็เกิดขึ้นไม่ได้ที่จริงแม้กระทั่งคําต่อว่าดาทอเนี่ยถ้าวางใจเป็นมีปัญญาเนี่ยจิตใจนอกจากจะเป็นปกติแล้วเนี่ยยังอาจจะมีความจริงดีได้ซ้ํามีเรื่องเล่าว่าสมัยที่หลวงปู่ขาอนารโยยังมีชีวิตอยู่นะ ว่าทำกองเทที่วันนั้นเนี่ยมีแม่มีแม่ชีสามีแม่ชีชื่อแม่ชีสาเป็นแม่ชีที่อายุมากเอาใจใส่ดูแลพระเนกิริยามารยาทเรียบร้อยแล้วก็สนใจการปรพืชปฏิบัติธรรมมากวันหนึ่งหลวงปู่ขาวสั่งให้พระสองลูกลูกศิษย์เนี่ยนะ ไปดูด่าว่ากล่าวม่ชีสาทั้งสองรูปนี้ก็ไม่เข้าใจจุดพุ่มหมยของหลวงพ่อตรงูเขาวนะั้นแต่ว่าครูบาจารย์สังก็ไปก็ไปที่กุฏิหลวงม่ชีสาแล้วก็เริ่มต้นด่าทันทีนะพยายามขุดค้นคำด่าเนี่ยมาสาสใส่ม่ชีสาที่แรกม่ชีสาก็งงนะแต่ว่าสักพักก็มีสติตั้งสติได้ก็นั่งนิ่งพนมมือฟังคำดา่า ท้สองท่านเนี่ยด่าจนรู้จะด่าอะไรแล้วก็เลยอยู่แม่ชีสาแทนที่จะโกรธแทนที่จะน้อยเนืตันใจว่าทําไมครูบาจารย์มาว่าฉันฉันวิสาทำดนะีดูแลพระเนอย่างเรียบร้อยทําไมถึงมาต่อว่าด่าทอแบบนี้แล้วถ้าเกิดว่าคนอยู่รู้ว่าฉันถูกครูบาจารย์ด่านี่ฉันจะอหน้าไปสุกไว้ที่ไหนแม่ชีสา ม, มีความโกรธไ ม, มีความเนื้อเนื้ตันใจอย่างนี้เลยกลับพูดว่าท่านอาจารย์ ดูด่าว่าการเสร็จแล้วหรือดีฉันฟังแล้วทราบซึ้งใจเหลือเกินเสียงด่าทั้งหมดที่เป็นเสียงธรรมด์ล้วนๆเลยคราวหน้านิมนต์ ด, ด่าใหม่นะเพราะว่ามันจะด้วยจะได้ช่วยทำให้กิเลสดฉันหมดไปนะได้จีสาไมไม่ได้ไม่ได้ทุบร้อนเลยกับคำดา่าเพราะอะไรเพราะท่านเห็นว่าคำด่าก็มีประโยชน์นะมันจะช่วยขัดช่วยขูดกิเลสช่วยลดละตา ตัวตนได้เห็นไหมว่าคําต่อว่าด่าทอเนี่ยมันไม่ทําให้เราทุกข์ถ้าเราวางใจเป็ น, น <_ Q. S 1> และการวางใจเป็นส่วนนึงก็เกิดอาการที่มีปัญญาเห็นความจริงว่าคำดูด่าว่ากล่าวคำต่อว่าด่าทอมันเป็นธรรมดาโลกหรือว่ามองไปสึงขั้นว่ามันมีประโยชน์นมันสามารถจะ สอนใจเราได้มันสามารถจะฝึกใจเราได้มันสามารถจะทำให้เราเข้มแข็งลดรักกิเลสได้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นเจตที่มีอุบายถ้าเราเข้าใจถ้าเรามีธรรมะแบบนี้เนี่ยมันก็จะช่วยรักษาใจของเราไม่ให้มีความทุกข์เพราะเห็นนี้เนี่ยนะจึงกล่าวว่าเกียงแค่การทำความดีแม้จะเป็นสิ่งที่น่านุโมทนา แต่ก็ยังไม่เพียงพอนะเราทำความดีแล้วเราทำบุญนะเราขยันทำบุญแล้วนะขยันให้ทานแล้วรักษาศีลอย่างเคร่งครัดดีแล้วแต่ต้องรักษาใจของเราด้วยนะรักษาใจด้วยการที่พิยาผูธท ร, ร ม, มะให้เกิดขึ้นในใจโดยเฉพาะธรร ม, มะที่ชื่อว่าปัญญาและสติถ้าไม่มี2ตัวนี้แล้วเนี่ย อะไรเกิดขึ้นกับเรานะแม้จะเล็กน้อยก็อาจจะทให้ขุ่นเคืองรถติดก็ทําให้จิตตกได้นะเสียงดังก็ทําให้ขุ่นเคืองคนพูดไม่ดีกับเราก็อาจจะทให้เรากินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะรู้สึกว่าเขาข้ามหน้าเราเขาไม่เห็นหัวเราแล้วก็ไม่รักษาหน้าเราคิดปรุงแต่งไปต่างๆนานาและถ้าหากว่ารักษาใจไม่ดีนะ แม้จะมีโชคมีลาภก็ไม่ได้เป็นหลักประกันว่าจะมีความสุขคนทุกวันนี้ปรารถนาว่าพอให้ฉันได้พบประสบเจอโชคลาภนะไว้เจอสิ่งดีๆเวลาทําบุญเราก็อาจจะปรารถนาอย่างนั้นแต่เราแน่ใจได้อย่างไรว่าเมื่อเราได้พบประสบโชคลาภแล้วเนี่ยเราจะมีความสุขได้เพื่อต่อมาคนหนึ่ง เป็นนักเล่นหุ้นแต่ก่อนเนี่ยเล่นหุ้นทั้งวันเพราะตอนนั้นเนี่ยอยากได้เงินแต่ตอนหลังก็มาพบว่าได้เงินก็จิตแต่ไม่มีความสุขจะต้องเลือกเมื่อต้องเลือกว่าจะเอาเงินหรือจ้าความสุขแกก็เลือกเอาความสุขแล้วแกก็เลยเลิกเล่นหุ้นแต่ตอนที่เล่นนั้นเนี่ยไปเจอคุณป้าคนหนึ่งที่ตลาดหุ้นคุณป้าคนนี้แกก็มีอาชีพเล่นหุ้นเหมือนกันคุณไปคุณมาคุณป้าบอกว่า เมื่อสองสาวันก่อนเนีขายหุ้นไปตัวหนึ่งล็อตใหญ่เลยได้กําไรสิบล้านบาทเพื่อนราตมาก็เลยบอกว่าขอแสงความยินดีด้วยครับคุณป้าคุณป้าบอกยินดีอะไรกันละ่ะถ้าฉันขายหุ้นวันนี้ฉันได้กําไรแล้วยี่สิบล้านคุณป้าได้สิบล้านไม่มีความสุขนะไม่ดีใจนะทั้งที่สิบล้านเนี่ยมันเท่ากับรอลอตเตอรีก่กี่ใบนะสามสี่บเลยนะได้กําไรสิบล้านบาทไม่มีความสุข ไม่ได้ดีใจเสียใจด้วยซ้ำเพราะอะไรนะเพราะคุณป้าแกไม่ได้คิดว่าแกได้10บล้านแกคิดว่าแกเสียสิบล้านคนเราถ้ามองไม่เป็นนะได้คือเสียแต่ถ้ามองเป็นนะเสียคือได้อย่างคนที่เสียทรัพย์สมบัติพราน้ำท่วเนี่ยแต่แกมองว่าแกได้ได้ธรรมะได้ธรรมะ แ, แล้วเนี่ยมันช่วยทำให้จะเสียออ ก, กี่ครั้งนะใจก็ไม่เสีย ใจก็ไม่เป็นทุกล้วคุณป้าคน่ี้ได้สิบล้านนะใจวางใจไม่เป็นทุกพอเริ่มขึ้นคุณป้าเนี่ยไม่ไปที่ตลาดหุ้นเหมือนเคยเพื่อนสมาชกเลยไปถามมาร์เก็ตติ้งมาร์เก็ตติ้งนี่ก็เป็นก็เป็นคนที่ทำธุรกิจเกีเ่ยว่องการขายหุ้นนะั้นนะเึ่งคุณคุณป้าที่เป็นลูกค้ายอยู่ไปถามคุณป้าหายไปไหน มาเก็ติงก็ตอว่าคุณป้าเข้าโรงพยาบาลแล้วทราบไม้ว่าเข้าโรงพยาบาลเพราะอะไรเข้าเพราะได้เงินแค่สิบล้านนะสำหรับบางคนหลายคนไม่จะว่าโอ้ถ้าฉันได้แค่ห้าล้านฉันก็มีความสุขแล้วแต่อย่าเพิ่งแน่ใจเพราะถ้าเราวางใจไม่เป็นนะแม้จะได้สิบล้านก็จะเครียดอาจาออาจะปวดจนเข้าโรงพยาบาลได้ เพราะวางใจไม่เป็นเมื่อสิบปีที่แล้วเนี่ยมันมีผู้ชายคนนึงเป็นพอน่อค้าเร่ถูกรัตตรียวันที่หนึ่งได้เท่าไหร่ทราบนะสามสิบล้านขึ้นหน้าหนึ่งไทยรัฐยิงเดือนต่อมาก็ขึ้นหน้าหนึ่งไทยรัฐ อ, อีกครั้งแต่คนนี้ไทยรัฐเขาขึ้นเขาพาดหัวว่าพ่อค้าเร่ถู ก, กรัตตรียวสามสิบล้าน สดอยากคิดค่าตัวตาย เ, นะเกิดอะไรขึ้นพอก็ได้เงินสาสิบล้านเนี่ยนะ <_ d ata> ก็มีใครกับใครเนี่ยมาขอเงินแกก็ให้นะแต่บางคนเนี่ยให้แล้วก็ยังไม่ขอใจนะได้มื่นคิดว่าฉันน่าจะได้แสนบางคนก็เลยโทรมาขู่ฆ่าขู่ฆ่าพ่อค้าเร่กับลูกสาวแกเจอแบบ น, นี้ หลายวันซ้ำติดต่อกันแกเเครียดก็เลยเอาน้ํายาแล้วห้องน้ำเนี่ยกรอกปากแต่ว่าลูกสาวไปช่วยชื้ิได้ทันที่โรงพยาบาลเนี่ยผู้สื่อข่าวไทยแล้วก็ไปสัมภาษณ์หลังจากที่แกก็ยังชั่วแล้วมีประโยชน์จะพูดว่าตอนเป็นพ่อค้าเร่เนี่ยหาเช้ากินขําเนี่ยมีความสุขกว่าเป็นไหนไหน มีความสุขกับต่อกว่าตอนที่ถู ร, รัตเตอรี่สาสิบล้านแล้วคนเราเนี่ยเจออะไรเนี่ยไม่สําคัญตั้งแต่วันใจเป็นอย่างไรคนระับเรามักจะปรารถนาอธิษฐานขอให้ได้เจอสิ่งดีๆขอให้เจอทรัพย์เจอโชคเจอลาภแต่ถ้าเราวางใจไม่เป็นเนี่มันกลายเป็นทุพพลภาพอาจจะทําให้ถึงกับฆ่าตัวตายได้นะเจออะไรไม่สำคัญตั้งแต่วันใจเป็นอย่างไรนะ เจอสิ่งดีๆแต่ใจนะไม่มีสติไม่มีปัญญาทุกข์แต่เจอสิ่งร้ายๆแต่ใจมีสติมีปัญญานะกลับเป็นปกติหรือว่ายังเป็นสุขได้นะนี่ผู้ชายคนหนึ่งนะเป็นคนที่มีนิสัยดีมากชอบไปช่วยคนยากไร้ในชนบทมีความนุก็ผ่านนักศึกษาชายหนุมหญิงสาวเนี่ย ไปช่วยโรงเรียนในทิศตุรกันดานเถอแม่ห้องสอนพอเสร็จงานก็พาไปขับรถกลับแม่ห้องสอนที่โค้งมันเยอะมีเป็นพันๆโคง้งระหว่างทางเนี่ยปรากฏว่ารถเนี่ยมันตกมันตกมันมันตกเหวแต่เหวไม่ลึกนะตอนที่ตกเหวเนี่ยแกก็ภาวนาว่าขอให้นักศึกษาที่แกพามาปลอดภัยปรากาทุกคนปลอดภัยหมด ปลอดภัหม ด, ดยกเวนแก่แกดูกระแทกอย่างแรงนะทําให้อัมาาพาตไปขึ้นตัวเพื่อนรู้ข่าวก็มาเยี่ยมบางคนก็ตัดพ้อว่าทําไมทําบุญถึงต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้นี่ขนาดทําบุญนะถึงก็ยังต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้แกก็กลับบอกเพื่อนว่าก็เพราะทำบุญเสร็จ น, นะถึงเหลือต้องเท่านี้ เหลือตั้งเท่านี้คืออะไรเหลือครึ่นตัวถ้าไม่ถ้าไม่ทําบุญเนี่ยคงหมดไปทั้งตัว น, นี่ขนาดนะอำมาตย์นะก็ยังไม่ทุกเลยเพราะว่ารู้จับมองฉลาดในการมองว่าเออเป็นเพราะว่าเราทําบุญนะเราจึงเหลือมาครึ่งหนึ่งอันนี้เรียกเป็นคนฉลาดคิดฉลาดมองก็เป็นปัญญาชนิดหนึ่งนะซึ่งเราควรควรจะมีะเพราะฉะนั้นสรุปก็คือว่า พวกเราเนี่ยเมื่อจ ะ, ะพอพื้นปฏิบัติธรรมก็ขอให้ประพื้นปฏิบัติธรรมกันอย่างรอบด้านอย่างทั่วถึงก็คือว่านอกจากทําความดีแล้วก็พยายามฝึกใจให้เห็นความจริงพยายามเตือนใจตัวเองให้เห็นความจริงว่าความจริงเป็นเช่นนี้เองมีเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตา ย, ต, ต, ายต้องประสบความพ่ายแพ้สูญเสียไม่ว่าจะ ไม่ว่าจะมีอะไรนะไอ้สิ่งที่มีมันก็ไม่เทีย่ยงมีกับหมดเป็นของคู่กันเจอกับจากเป็นของคู่กันมีพบแล้วก็ต้องเจอต้องมีครา่านะมีสารเสริญก็มีนินทาถ้าเราเข้าใจเช่นนี้เนี่ยนะเราก็จะอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความผันผวนพลวัที่ไม่แน่นอนไม่จริงรังยั่งยืนได้มีความสุขนะเจออะไรใจก็ไม่ทุกนะเพราะว่ามีปัญญาเห็นความจริง พวพูดไปกับการทําความดีการที่ฝึกใจเห็นปัญญานี่นะมันเป็นสิ่งที่เราควรจะใส่ใจทางพระเรียกว่าภาวนาภาวนาภาวนาคือการทําให้มากทำอะไรให้มากก็คือทําให้ธรรมะในใจนมันเจองอก ง, งาขึ้นเลยเพราะปัญญาและสติเพราะนั้นเวลาเราทําบุญเนี่ยนะก็ขล่อยทําบุญครบถ้วนด้วยนะทําบุญทั้งทานทั้งศีลและภาวนา ครหนึ่งเนี่ยหลวงปู่เฟื่องอันนี้เป็นเกศเล็กเกศน้อยของหลวงปู่เฟื่องโชติโ ก, โกนะวัดธรรมวัดธรรมสัจจิตรยนมีโยมคนนึงมาหาท่านนะคุยไปคุยมาเขาก็คุยว่าเขาก็บอกหลวงปู่ว่าเขาเนี่ยทำบุญมาเยอะนะท่านก็ถามไปทําบุญที่ไหนบ้างก็ไปทําบุญที่วัดนั้นวัดนีนไไน้ไปสร้างพระพุทธรูปไปทอดกระินทอดพรปาไปสร้างโบสถ์สร้างวิหารทอดวางรูปมิมิต ก็พูดไปหลายหลายเรื่องนะหลวงปู่เฟื่องเนี่ยท่านก็พูดขึ้นมาว่าให้มันทาบุญที่ใจบ้างนะให้ทําบุญที่ใจบ้างนะอย่าไปทําบุญที่วัดอย่างเดียวนะาชาวาพุทธเราเนี่ยนะหลายคนเนี่ยนะขยาททาบุญนะแต่ว่าเป็นการทําบุญที่วัดเท่านั้นส่วนทําบุญที่ใจเราทําน้อยถ้าเราทําน้อยเนี่ยนะ ไอ้ความทุกข์ก็สามารถจะเข้ามาสู่จิตใจเราได้เพราะไม่มีธรรมะไม่มีสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาเป็นเครื่องป้องกันแต่ถ้าเราทำบุญที่ใจเรียนเขาเจริญภานาฝึกใจให้เห็นความจริงความไม่เที่ยงความการป่วนทั้งที่รอบตัวเราและทั้งที่อยู่ในตัวเราและทั้งที่อยู่ในร่างกายของเราถึงเวลามันการป่วนพันผวนเราก็ไม่ทุกข์ใจก็เป็นปกติได้ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นความเจ็บความป่วยความแก่หรือแม้แต่ความตายก็ตาม ธรรมก็ใช้เวลาพอสมควรนะในการสแสดงธรรมก็ขออนุมทนาญายโยทุกท่านที่ได้มาร่วมกันมาความเพนบุญกะถิ่นซึ่งจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ทั้งหมดนี้ก็เพื่อเป็นการวุญที่สนะ่วนุสนให้กับโยกสเสถียนจักแก้วขนะึ้นเป็นที่รักของเราก็หวังว่าธรรมะที่นำมาบอกกล่าวเนี่ยก็คงจะเป็นประโยชน์นะในทางคือสติ และก็เพิ่มปุพปัญญาให้กับเราในการดูแลชีวิตให้เกิดความเจริญความปาศุขท้ายสุนีของเขาอ้างคุณพระศรีรัตนตรัยอนวยปวยปวให้ทุกท่านได้เจริญด้วยอายิวันน่สุขาภรณเพื่อเป็นพระปัจจัยในการทําความดีดงามมีพร้อมด้วยทานศีลภาวนาไว้บืองเกิดสติและปัญญาพาจิงออกจาความทุกข์เข้าถึงความสุขเกษสารมีพระนิพพานเป็นที่หมายอีกทั้งให้บุคคลนี้ได้ เด็เคืองอำนวยให้คุณโยมเสถีจักแจ้งได้ประสบสุขสมบัติในสัปเหรพบและได้พบกับพระพุทธศาสนาเพื่อนำพาชีวิตให้ได้เข้าถึงความสุขอันประเสริฐอันได้แก่พระนิพพานาเป็นที่หมายในนาคตการได้เทอม